จะพูดเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันแต่ว่าพูดในแง่ของอุปสรรคอุปสรรค์นี่ก็หมายถึงสิ่งที่กีดขวางหรือขวางกั้นไม่ให้เราบรรลุผลสำเร็จเร่ว่าอุปสรรคเราจะทำอะไรก็าตามก็ย่อมที่จะมีอุปสรรคเสมอการใช้ชีวิต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 โอ้บางคนถามว่าอุปสรรคการปฏิบัติธรรมคืออะไรมาท่านตอบว่าขี้เกียจกระจบกันแต่ว่าที่ความขี้เกียจเนี่ยตัวอุปสรรคก็ใช่อยู่แต่วิธีการแก้ไขความขี้เกียจนี่ง่ายนิดเดียวจะเป็นการทํางานก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีนะถ้าเราเกิดความขี้เกียจล้วก็ลองเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนเป็นขยันนะถ้าเปลี่ยนเป็นขยันนี่ความขี้เกียจเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกขยันสัอ ย, อย่างเดียว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 อุปสรรคของสมาธิก็มีอยู่คนที่ทําสมาธิจะเริ่มรู้ดีอุปสรรคของการทําสมาธิก็คือความคิดนะความคิดเกียวกับเรื่องการความอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสหรือมีความโกรธพยาบาทจะขึ้นในจิตใจเราหรือบางทีเกิดความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาห่าวนอนความสลดหดหูหรือความลังเลสงสัย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 สติกับสมาธิต่างกันนะต้องแยกแยะ ก, กันสติคือความระลึกได้ระลึกรู้มีผลทำให้เกิดปัญญามีสติแล้วก็จะเกิดปัญญารู้ตามความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นได้นิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่หรือในวัฏฏสงสารมีผลที่ไม่กลับมาเกิดอีก อุปสรรคของการเจริญสติก็คือความคิดเหมือนกันความคิดที่มันปรุงแต่งอยู่ในจิตใจเช่นความลังเลสงสัยเป็นการเปรียบเทียบอาจารย์คนนู้นว่าอย่างน้นอาจารย์คนนี้ว่าอย่างนี้ตำราก็ว่าอย่างนู้นตำราก็ว่าอย่างนี้ไม่มั่นใจเปรียบเทียบบางลังเลสงสัยบ้างทำให้จิตฟุ้งซ่านจิตไม่ปกติ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 เป็นความหลงไปกับความคิดอันนั้นก็เป็นด้านหนึ่งอันต่อมาก็ตั้งใจมากเกินไปหวังเป็นตัณหาจะเอาผลในการปฏิบัติเพง่งบังคับกดข่มอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งมันไม่ลงสายกลางได้แล้วถ้าเรายิ่งเพ่งมากๆยิ่งบังคับมากๆเนี่ยทาให้จิตเราเนี่ยไม่ปกติร่างกายก็ไม่ปกติคนที่ตั้งใจมากเกินไปสังเกตดูเถอะ ตั้งใจดูทีวีมากเกินไปเพ่งอะไรหรือตั้งใจเจิตสติมากเกินไปพอสภาวะธรรมอะไรเกิดขึ้นมาตั้งใจกําหนดกดข่มบังคับเนี่ยมันจะเกิดความเครียดทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเลยร่างกายมุงทีเกิดอาการมึนศรีรษะปะวดศรีรษะปะวดเมื่อยตามต้นคอตามหัวไหล่บาทีคลื่นไส้อาเจียนไปเลยเป็นทุกข์แล้วทั้งทาร่างกาย จิตใจก็เช่นเดียวกันจิตไม่ปกติถ้าเราไปบังคับมากเกินไปฟุง้งซ่านมีแต่ความดังเลสงสัยเนี่ยเป็นทุกข์แล้วนะเรียกว่าธรรมชาติลงโทษก็ได้เพราะว่าเราไปบังคับสภาวธรรมต่างๆเนี่ยเลยเป็นทุกข์เนะนี่ยเป็นอุปสรรคสําคัญในการปฏิบัติอุปสรรคที่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากความเห็นผิดของเราเห็นผิดจากกฎของธรรมชาติ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 ถ้าบังคับเป็นปัญหาแสดว่าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงก็จิตมันฟุ้งอยู่เรารู้ว่าอ๋อมันฟุ้งแค่นี้ยก็ได้ปฏิบัติแล้วจิตเป็นปกติแล้วเป็นปัจจุบันแล้วถ้าจิตฟุ้งแล้วเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความฟุ้งพยายา ม, มบังคับกดคมให้มันหายฟุ้งอันนี้ผิดแล้วจะเกิดความเครียดรู้ว่าสีจิตมันสงบอ๋อเรารู้ว่ามันสงบอ๋อจิตสงบนะแค่นี้ก็ได้แนละ้ว ได้ปฏิบัติได้เจริญสติแล้วเป็นปกติแล้วใช้ได้แล้วแต่ถ้าจิตสงบแต่เราไม่รู้เท่าทันในความสงบหลงที่อยู่ในความสงบอันนี้ยังใช้ไม่ได้คือไม่รู้ตามความเป็นจริงเนะ่ยเข้าไปติดในความสงบแค่ตามรู้สิ่งที่เขาเกิดขึ้นนะรู้เฉยๆสบายๆเนี่ยอันนี้ก็ได้ปฏิบัติแล้วรู้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนั่อการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนการใช้ชีวิตของเรา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 รู้หนังสือนะเขียนหนังสือก็ไม่ได้ผู้ภาษาไทยก็ไม่ชัดแต่สามารถปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นธรรมะได้รู้ธรรมะได้นั่นไม่เกี่ยวกับเรื่องรู้ไม่รู้นั่นการที่เราเห็นว่าเป็นอุปสรรคนั้นอันนั้นคือความเห็นผิดหลวงพ่อกำเขียนท่านได้วางวิธีการที่เรื่องหมัดเด็ดไว้ว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมเราจะเริยสติถ้าเจออุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ย มีวิธีเดียวคืออย่าเข้าไปเป็นมันเป็นแค่ผู้ดูเท่านั้นจบเลยพับใส่กระเป๋าเลยเลยแค่ผู้ดูในอุปสรรคต่างๆเพราะว่าถึงที่เราตั้งปวงเนี่ยมีสองอย่างคือมีผู้ดูกับสิ่งที่ถูกดูสองอย่างเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอุปสรรคที่แท้จริงนั้นก็คือความเห็นผิดถ้าเรามีความเห็นถูกต้องเราจะสามารถเปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรมไปเลยนะคืออะไร